ที่ไม่เนื่องโดยอินทรีย์และการกระทําที่ว่าเป็นที่มองเห็นสิ่งที่เคลื่อนไม่ได้และสิ่งที่ติดอยู่กับที่หรือเป็นโอกาสของสิ่งที่เคลื่อนที่สิ่งที่ติดอยู่กับที่นั้นจริงอยู่ในโอกาสสโลกท่านเรียกว่าภาชนะโลกก็คือหมายความว่าในโลกโลกที่ไม่มีใจเนี่ยเป็นสิ่งรองรับเป็นที่เคลื่อนไหวสิ่งที่ติดอยู่กับที่นั้นขันแม้ทั้งสองอย่างคือสังขารโลกเพราะอาจถูกปัจจัยปรุงแต่งและถูกทําลายย่อยยับเนาะ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนะี่ยต้องถูกปัจจัยปรุงแต่งไหมเรื่องไหนถูกถูกทำลายเย่อใยับไหมเนาะนั่นเขาบ่งบอกถึงตัวเขาเป็นอันนี้จะลักษณะทุกคลักษณะและอนัตตระและเขาบอกว่าตัวของเขาเองไม่ได้เกิดขึ้นมาเลยลอยว่าเขามีปัจจัยประชุมปรุงแต่งถึงให้เกิดขึ้นหมดเหตุหมดปัจจัยก็ดับมีเหตุมีปัจจัยก็เกิดอีกเมื่อไร่เราจะดับเหตุปจัจจัยเขาได้มันจะได้ไม่มีปัจจัยในการสืบต่อกันของสังขารและโลกเนี่ย เมื่อไรเราจะดับเหตุปัจจัยของสังสารวัตได้สังสารวัตจะได้ไม่เดินเนี่ยเนี่ยตัวสังขารโลกตัวสังขารโลกจะได้ไม่เดินสัตว์โลกจะได้ไม่เคลื่อนแล้วก็ภาชนะโลกจะได้ไม่มีจะได้ถึงการบัญญัติไม่ได้อีกต่อไปใช่ไหมสังสารวัตรจะได้จบสติเนี่ยเนี่ยตรงนี้โอเรียนอย่างนี้เข้าใจเยอะเลยเนี่ยน่ น, น, นะใช่ไหมโอตอนนี้เราเราเร า, เราเริ่มจะชัดเจนแลนะ้วเนาะ ชัดเจนคำว่าตั้งอยู่ในด้วยต่อไปนี น, นะอันนี้พูดถึงในเรื่องของโลกประการต่อมาอันแรกเลยสเพสัต า, าหาระัตรติติกาที่บอกสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารนะเกได้ด้วยอาหารศัพท์ว่าอาหารเนี่ยอาหารตัวนี้เป็นชื่อของว่าปัจจัยนะ คำว่ามีความตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารก็คือการตั้งอยู่ได้ด้วยปัจจัยเนื่องด้วยปัจจัยเป็นอยู่ด้วยปัจจัยสัพว่าอาหารในที่นี้มีความหมายว่าปัจจัยเหมือนอย่างในคําเมีที่บอกว่าอายะมาห่าโร อ, อนุปันนัสวากามชันดัสอุปาทายเนี้ยบอกว่านี้เป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นของกามฉันท่าที่ยังไม่เกิดนี่แปลว่าปัปจจัยเนาะ ก็ด้วยคำาสัตว์ทั้งปวงย่อมเป็นอันถือเอาแม้พวกไหนด้วยพวกอสัญญีสัตว์ด้วยนะเอาสัตว์ที่มีแขนหนึ่งด้วยแม้สัตว์เหล่านั้นนะะในอสัญญาสัตวภูมิได้เรียนนี่ยังอสัญญาสัตวภูมิที่มีขันหนึ่งแขนเวลาเราอุทิศสนุสลให้ใช่ไหมมีขันสี่ขันก็คืออลูประภูมิมีขันห้าขันก็คือปัญญโวกระพูมิมีขันหนึ่งแขนก็คืออสัญญาสัตวภูมินะ นั้นสัตว์ในสามสิบเอ็ดพบนับสามสิบพก่อนอยู่ได้ด้วยปัจจัยคืออาหารอยู่ด้วยปัจจัยต้องมีปัจจัยประชุมปวงแต่งถึงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถึงจะอยู่ได้ปะการต่อมาท่านก็เลยกลัวว่าเราจะไม่เข้าใจว่าแม้อสัญญีสัตว์อสัญญาสัตว์เขาเรียกว่าคนที่จะไปเกิดเป็นอสัญญาสัตว์พรมไปเกิดอยู่ในอสัญญาสัตว์พรมใช่ไหมเขาเรียคอสัญญาสัตว์ เรียกว่าอสัญญสัตพรมก็ได้อสัญญีสัตว์ก็ได้แปลว่าสัตว์ที่ไม่มีสัญญาก็แปลว่ามีสัญญาเป็นประธานก็มีไม่มีนามละธรมอ่ะง่ายๆคือไม่มีนามนั่นเองไม่มีเวทนาขันไม่มีสัญญาขันไม่มีสังขารขันไม่มีวิญญาณขันมีแต่รูปขันอย่างเดียวสัตว์เหล่านั้นเรียกว่าอสัญญสัตตพรมได้เกิดอยู่ในอสัญญสัตภูมิ เป็นเอกโวกับภาวะมีอยู่ขันเดียวถามว่าแม้ขันเดียวซึ่งเป็นรูปขันนั้นะขันนั้นน่ะอยู่ได้ด้วยอะไรอยู่ได้ด้วยปัจจัยคืออาหารไม่มีอาหารไม่มีปัจจัยอยู่ไม่ได้ปัจจัยของเขาคืออะไรสัญญาวิลาคะเจตนาเจตนาที่เกิดขึ้นร่วมกันกับ ปัญจมะฌานหรือจตุตจฌานของบุคคลที่ได้ฌานที่ปรารถนาการไปเกิดที่มีรูปปั้นอย่างเดียวเจตนากรรมอันนั้นที่ผลักดันขับเคลื่อนจากความปรารถนาความต้องการที่มีตนาวิชาแวดล้อมด้วยที่เป็นกุศลนั่นรูปาว่าจะรับปัญจมะฌานกุศลที่เกิดร่วมกับสัญญาวิราคาเจตนานะไอเจตนากรรมเหล่านั้นเป็นต้นนั่นแหละ ตัวกรรมเหล่านั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยอุปการะทำให้รูปธรรมอุบัติเกิดขึ้นแล้วก็กดนามมารมไวห้าร้อยมหากรับเขาเลยเรียกว่าเป็นอาันยีสัตว์สัตว์ที่อยู่ได้ด้วยอาหารเหมือนกันไม่ต้องกล่าวถึงพวกภูมิอื่นเลยจบเลยเพราะกล่าวพวกภูมินี้พวกภูมิอื่นเข้าใจแล้วก็ขนาดขันเดียวยังยังอยู่ได้ด้วยปัจจัยยังอยู่ได้ด้วยอาหาร ปัจจัยมีเยอะไหมมีนานาคณิกากรรมะปัจจัยเห็นไหมเจตนาที่ต่างขนาดเจตนาที่ในรูปปัญจมาฌานกุศลนี่แหละหรือรูปจตุทะฌานกุศลนี่แหละเป็นปัจจัยทําให้รูปธ ร, รรมเหล่านั้นอุบัติเกิดขึ้นอันนี้เขาเรียกปัจจัยที่เป็นกรรมส่วนปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่เกิดร่วมตรงนั้นก็คือว่าเป็นกรรมม่ใช่รูปที่เกิดขึ้นใช่ไหมดินน้ําไาลมสีกิริรสโอชาธาตุเป็นต้นมีชีวิต ร, รูปเกิดขึ้นด้วยมีวิการรูปด้วย สิบเจ็ดรูปที่เกิดขึ้นในสัญญาสัตย์ผมตรงนั้นนะ่ะที่เขาเกิดขึ้นมีความเบาความอ่อนความคลวนใช่ไหมมีดินน้ําไฟลมสีกลิรร่นรสโอชาธาติใช่ไหมเป็นต้นนั่นเองนะมีกรรมชรูปกรรมชะลูปก็มีอะไรอะ่ะไม่ใช่จากาาาขุปป萨สต์ตัปปสัตถ์ขะนะปปสัตชิวหาปปสาัตนะเออเขาเขามีกรรมชรลูปส่วนอื่นมีกรรมชรูปส่ว น, น, รร ส, วนส่วนที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของ กลุ่มอวินิพโยรูปแล้วก็กลุ่มชีวิตตรูกใช่ไหมเขาเรียกว่าถามว่ากายภาวะวัตถุกลุ่มพวกนี้ไม่มีวัตถุหัตถะนะไม่มีกายยประสาตต์แต่มีภาวะอยู่ไหมไม่มีเพราะเป็นพรมไงเขาเลยพรมลูกฟักทีนี้มีชีวิตตะลูกเขาเรียกชีวิตตะนวกากะลาบกระลาบที่มีจํานวนลูกเก้าใช่ไหม ที่พอ ม, มีจํานวนรูปเก้าเบสเ็จเนาะเ้ารูปใช่ไหมมีอวิชโพก็รูปแปดชีวิตรูปหนึ่งเป็นเก้ารูปเขามีแค่เก้ารูปนี่แหละนะในขณะปฏิสนธิการต่อมาก็มีความเบาความอ่อนความคลวนคืออุบไหมมูทุาญญาตากรรมยตาเนะเป็นต้นเหล่าเนี้ยที่บอกว่ามีความเบาความอ่อนความคลวนในสามรูปเขาเรียกวิกาในรูปสาม เพราะของเขาจะต้องมีความเบาวความอ่อนความควอนเพาเป็นกรรมแม้เกิดร่วมกับกรรมช่รูปแล้วจะต้องมีอุปัจจะยสันติชราตานิจตาอีกสี่เป็นสิบเจ็ดเลยนี่ก็เรียกโอ้สิบเจ็ดรูปไปเกิดอยู่อย่างนั้นแหละห้าร้อยมหากรับในนั้นก็จะมีอะไรพวกกรรมช่รูปเขาก็จะเป็นดินน้ำไฟลมสาชาตะปัจจัยสหาต า, านิสยะปัจจัยสาชาตติสาชาตะวิคตะใช่ไหม ก็ตัวหมาพุทธลูกต่อหมาพุทธลูปเนี่ยเขาก็เป็นสาชาต่าต่อกันเนี่ยดื่น้ำไปลมไปต้นเขาก็อยู่ได้ด้วยปัจจัยอยู่ได้ด้วยอาหารแล้วก็มีตัวกรรมที่เกิดแล้วในนานัคณิกากรรมปัจจัยเป็นตัวอุดหนุนเป็นชนกปัจจิทําปฏิสนธิให้เกิดเห็นไหมสัตว์นี้มเกิดอยู่ได้ด้วยอาหารจริงไม่ต้องพูดถึงสัตว์พมืนประการต่อมาคือบอกว่าสัตว์ทั้งปวงเป็นนั่นถือเอาแม้อสัญญาสัตว์ ความที่สัตว์ตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารนี้แหละว่าได้ตรงก็ได้แก่สังขารและธรรมที่ไม่ใช่ตัวธรรมเลยนะเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าสัตว์ทั้งปวงตั้งอยู่ได้ด้วยอาหารพึงทราบว่าได้แก่สังขารลโลกถ้าเขาถามสอดแทรกมาสัตว์ทั้งปวงเป็นอย่างไรกันบอกว่าเป็นการแสดงโดยปุคลาธิฐานนะถามต่อไปว่าเพราะเหตุไรเล่าพระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงธรรมให้เป็นปุคลาธิฐานในพระสูตรบางแห่งและทรงแสดงธรรมให้เป็นธรรมมาธิฐานในพระสูตรบางแห่ง เพราะอะไรเพราะเป็นการเยื่ยงกลายแห่งพระธรรมเทศนาและเพราะอัธยาศัยของเวยนยะสัตว์เนาะเออศาตว์เวนัยศัสตร์นี่นะจริงอยู่นะพระบรมศา ส, สดานี่ยนะพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนะี่ยทรงถึงการเยื่องกลายแห่งพระธรรมเทศนาพระผู้มีพภาคเจ้าเหล่านั้นย่อมทรงสแสดงพระธรรมเนี่ยนะทำให้เป็นปุกาลาธิฐานในที่บางแห่ง ทำให้เป็นธรรมมาที่ฐานในที่บางแห่งตามที่ทรงพอวัฒไทยที่จะให้เป็นไปในเวเนยศัตว์จะได้ตัดสรุปเวเนยศัตร์เราใดไม่ได้อย่างลงสู่ลำดับแห่งเทศนาก็ย่อมแสดงพระธรรมเทศนาเป็นปุกาลาที่ฐานแกสัตว์เหล่านั้นคือเขาท่านไม่เคยเรียนมาเรื่องขันธาอัยตนาเลยอ่ะใช่ไหม ท่านเข้าใจเรื่องสัตว์บุคคลถึงจะเข้าใจท่านแสดงเลยปุฆลาเทศนาเวนยศาสตร์เราได้อย่างลงแล้วทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นธรรมธิฐานแก่สัตว์เหล่านั้นเทศนาที่เป็นปุฆราธิฐานมีสมมติติสัตว์เป็นวิสัยมีสมมติสัจนะเป็นเรื่องการสมมุติเนี่ยเป็นวิสัยเทศนานอกนี้เป็นปรมธธัตถสัจจะเป็นวิสัยเทศนาแรก มีมหากรุณาตักเตือนเกี่ยวเรื่องสัตว์บุคคลเนี่ยต้องใช้ความกรุณาเยอะเนอะใช่ไหมเทศนาหลังปัญญาเกี่ยวกับเรื่องปรามัดเนี่ยนะเราก็จะเห็นอปุกละเทศนากับปรามัดกเทศนาอันไหนใช้ปัญญามากกว่ากันปรามัดเทศนาต่อไปเราก็เรียนปรามัดเยอะๆใช่ไหม อีกอย่างหนึ่งเทศนาแรกสำหรับบุคคลผู้เป็นโคตรหรือเป็นเป็นเป็นชุดของกลุ่มศรัทธานุสาลีเพื่อจะหลุดพ้นโดยศรัทธานี่นึ้บุคคลนอกนี้เป็นเขาเรียกว่าเพราะบุคคลเหล่านั้นมีบุคคลเป็นประมาณเทศนาหลังก็ผู้มีโคตรเป็นธรรมานุสาลีอีกอย่างหนึ่งเทศนาที่เป็นปุกาลาทีฐานเท่าน้าเขาบุคคลผู้เป็นโลกาทบดีนะมีมีโลกเป็นใหญ่ กลุ่มนี้คือกลุ่มสัตย์จริตเทศนาที่เป็นธรรมอาทิฐานอั น, นา่ของบุคคลที่เป็นธรรมาทิพดีมีธรรมเป็นใหญ่นี่นะนี่กลุ่มปัญญาจริตถ้ากลุ่มสัตยาจริตกลุ่มปัญญาจริตเนี่ยพระญาแสดงถ้าสาัตย์จริตพระองค์แสดงปุกคลาธิฐานถ้าปัญญาจริตมากกว่าสาัตย์จริตนี่ก็แสดงธรรมอาทิฐานคือจริงๆก็เพื่อให้เหมาะกับสัตว์นี่ไงซึ่งเราไม่รู้เลยจ่มายกเนี่ยเราแสดงไม่ได้เลย นั้นการเขียนสังสารวัตต้องสองส่วนไว้ตัวนี้ยส่วนของธรรมะที่ฐานกับส่วนปุขคลาที่ฐานเพื่อเอื้มหน่วยประโยชน์แก่คนสองกลุ่มที่ศรัทธาจริี่กับปัญญาจริตเพื่อเป็นประโยชน์แก่ปัญญาจริีกับศรัทธาจริี่นั่นเวลาเราจะกล่าวพระธรรมทั้งหลายหรือจะแนะนําพระธรรมทั้งหลายก็ดูด้วยว่ากลุ่มศรัทธาเฉลี่ยดูกลุ่มว่าศรัทธาจริีหรือปัญญาจริตก็ไม่ละเลย เวนัยชนสองกลุ่มนี้อันหนึ่งเทศนาแรกมีอัดที่จะพึงรู้เทศนาหลังมีอัดที่ได้รู้แล้วเจ๊ะไหมบอกว่าเทศนาแรกเกี่ยวเรื่องบุคคลเนี่ยเจ๊ะไหมก็เป็นอัดที่พึงจะรู้เพราะว่าพอพ่อพูดบุคคลแล้วจะลงปรมัตดยังไงเจ๊ะไหมแต่ถ้าในหลังเนี่ยพ่อพูดถึงปรมัดในเรื่องเรื่องปุคลาธิฐานเขารู้แล้วเขาเข้าใจหมดแล้ว งั้นบอกไปเลยต้องบอกว่าต่างกันอย่างนี้บุคคลเนี่ยจะต้องบรรลุได้ปุกลาที่ฐานเนี่ยก็ต้องจะต้องพูดปุกลาที่ฐานว่าอย่างลวงสุ ป, ปรรมัิแต่ถ้าบุคคลที่เขารู้ปรมัตย์เบียเ็จแล้วเรื่องบัญญัติเนี่ยถ้าไม่ต้องไปบอกแสดงอภิธรรมปีดดกเลยปอบๆเลยนะว่าไปเลยใช่ไหมกุศลาธรรมมากุศลดาญาสมิงสมัยกามาวาจารังกุศลังจิตตังเลยว่าไปเถอะเดี๋ยวก็บรรลุใช่ไหมเดี๋ยวก็บรรลุแต่ไม่ใช่เรานะ ใช่ย่งก็รู้ปารามานันังวา่าสัท ธ, ธาเรามานันนังวานะ่าเนี่ยคันธารเรามานันังว่าก็ว่าไปยังไม่รู้อะไรรูปาก็สวดก็ไม่รู้คนปังก็ไม่รู้ไอ้ไม่รู้ปารลมสรัทธารลมกันธาลมเหงือนกั น, น, นอะยังจับประเด็นได้เนะีะยังจับประเด็นได้ทีนี้เทศนาแรกนี้อาจที่จะพึงรู้เทศนาหลังมีอัตที่ได้รู้แล้วก็ทราบว่าภพบรมศาสดาเล็งเห็นความต่างๆกันนั้นย่อมแสดงทำเทนาสองอย่างในที่นั้ น, น, นด้วยประการดังที่ได้กล่าว กระจกเรื่องการแสดงเทศนาแล้วก็การเทศนาก็คือการเขียนจับประเด็นได้แล้วโหเป็นประโยชน์เลยตัวเนี้ยใช่ไมันเดินสองไหนใช่หให้ท่านพูดสบายในทางด้านของปุคลาธิฐานกับธรรมมาธิฐานแกกลุ่มที่ศรัทธาจริตกับปัญญาจริตนะก็ได้ประโยชน์ทั้งสองส่วน ก็โอ้โหสมบูรณ์แท้แท้ก็กันนูยย่นนี่ใช่ไหมทีนี้การกําหนดอาัตตานี่เป็นโลกเกี่ยวกับของเที่ยงเป็นต้นของผู้มีทิฏฐิทั้งหลาย้นมีสัตว์เป็นอารมณ์โดยมากไม่ใช่มีสังขารเป็นอารมณ์เนาะถ้าเราไปกําหนดบอกว่าอัตตานี่เป็นโลกเกี่ยวกับความเป็นของเที่ยงถ้าไปบอกอัตตาเที่ยงเนี่ยนะอันนี้พวกมีทิฏฐิทั้งหลาย พวกสัตตสตาทิเที๋ยพวกนี้มีสัตว์เป็นอารมณ์เลยมากไม่ใช่มีสังขารเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นบัณฑิตเพงทราบว่าสัตว์โลกในอนาคตสถานว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงเป็นต้นแล้ว น, ะนะนะ น, นั่นนะนะอาจท่านก็อธิบายไปทําไมท่านอธิบายตรงนั้นเพราะคนไปเข้าใจผิดท่านก็พูดเรื่องโลกใช่ไหมเพื่อจะให้คนเข้าใจทะลุทะลวงเรื่องโลกเพราะจะวิจัยในหนังสือเนี่ยท่านไม่วิจัยออกมา พราะท่านเขียนโดยสามารถทิ้งอัดทิ้งอะไรเยอะแยะไว้หมดนะท่านพูดในฐานะว่าพวกเราเข้าใจนะที่พวกเราไปอ่านนี่ทีมันเป็นปัญหาสำหรับผู้อ่านนี่ทีอ่านไปโอ้อะไรก็ไม่รู้เหมือนอาจจะมาอ่านที่แรกอ่านผ่ารานผ่านแลไม่อ่านแล้วอะไรเงี้ยแต่พอไปทังเกตดูโอ้ท่านบอกอะไรเราเนี่ยพอไปจับจากพระสูตรพระไตรปิฎกอื่นๆต่างๆมาใช่ไหมแล้วกลับมาดูอีกทีเราเอามาอย่างเราได้ได้มีดได้ดาบได้อะไรมาแล้วมันก็เริ่ม เออได้เทียนได้อะไรมาแล้วก็เริ่มสองอ้อเห็นแล้วเห็นอัถยาแล้วแต่ก่อนไม่เห็นเห็นเขาเขียนเรื่องโลกก็เหมือนปุยลุยไปเรื่องโลกแล้วไปสอนอาจายมานี่สอนเรื่องโลกสนุกสนานแล้วติดโตเถียงกับเขาอยู่นั่นแหละยิ่งคนไม่เชื่อได้มาเถียงใหญ่ตอนนั้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเถียงบอกโหยไปเอาในลัวิทยาศาสตร์แรงด่างไปค้นกับเขามามาเถียงกับเขาแล้วทั้งนี้นั่นไปแล้วเราไม่รู้เ่รอมาพอมาลูอ๋อแต่นี้ก็เล่นเถียง นิดๆอีกอย่างหนึ่งนะคาว่าพระจรันทร์และพระอาทิตย์ย่อมเวียนไปตลอดที่ประมาณเท่าใดมีความว่าพระจรันทร์และพระอาทิตย์ไปรอบๆคือวนไปในที่ประมาณเท่าใดย่อมส่องทิศให้สว่างสวายอยู่ในทิศนั้นรุ่งเรืองสว่างสวายด้วยพระจันทร์และพระอาทิตย์ในที่นั้นๆนั่นแหละเป็นต้นนั้นก็พูดถึงการที่พระจรันทร์พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างเออถ้าเราดูในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคนบางคนก็คิดคุณของพทธเจ้าได้เนี่ย เห็นพระอาทิตย์เขาคิดถึงพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าเหมือนพระอาทิตย์เลยเี้ยเห็นพระจันทร์พระพุทธเจ้าเหมือนพระจันทร์แสงสว่างของอาทิตย์แสงสว่างพระจันทร์เป็นพระธรรมนี่นะสัตว์โลกทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์จากแสงสว่างนั้นเป็นพระสงค์นี่นะโอ้โหเห็นสังขารตนะเห็นพุทธรัตนนธรรมรัตนะได้จากการเห็นดวงไฟดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แต่เรามองยังไงก็ไม่เห็นใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยใช่ไหม นี่เขาเรียกเห็นคุณนั้นี่ท่านกล่าวตรงนี้เพื่อจะไเที่ยวประพยานของพระเจ้ากระแสงสว่างของดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ต่างกันพยานของพระเจ้ากบแสงดวงจันทร์ดวงอาทิตย์แม้ดวงจันทร์แสงจันทร์แสงอาทิตย์เนี่ยส่องสว่างมาทําให้สัตว์โลกตัดสิรู้ไม่ได้แต่แสงสว่างของพระเจ้านั้นสว่างสวัยทําให้สัตว์ตัดสิรู้ได้พอไหม เราจะอาศัยอาบดูแสงแดดแสงตะวันแสงอาทิตย์ต่างๆขนาดไหนเราไม่สามารถเห็นทุกษัตริย์ได้เลยอย่างนี้เป็นต้แต่แสงของวัฏธรรมที่พุทธเจ้าบัติเกิดขึ้นมาสัตว์โลกนั้นเห็นทุกสัตริย์พ้นจากทุกษัตริย์แล้วก็เห็นพ้นจากสังสารวัฏเป็นด้นตาวะสหัสวาเนี่ยนะเท่าที่ว่าคือตลอดเพียงใดโดยเป็นพันแห่งโลกธาตุนั้นตรงพูดถึงในเรื่องของจํานวนเนี่ย เอตถานี่ก็คือโยกสหัสโลกทาตุสังคาเตโลกเโลกโอในโลกในโลกธาตุนับพันนับพันดังนั้นเป็นเป็นระดับยังไม่ได้คูณนะคูณไปเสร็จเพื่อจะให้ได้แสนโกดจักรวาลนั่นแหละทีนี้ในสังขารโลกในสัตวโลกในโอกาสโลกทั้งสามประการนั้นน่ะได้ทรงรู้แล้วโดยประการทั้งปวงคือได้แทงตลอดแล้วโดยประการทั้งปวงคือพุทธิย่าเนี่ยแทงตลอดทุกอย่างเนี้ยถามว่าแทงตลอดอย่างไร ที่ใช้คำว่าสัพพัทวิธีโตเนี่ยนะอัสสัยเอเนนะก็โยกพะขาวตาท่านกล่าวถึงความที่สังขารและโลกเป็นธรรมที่เกิดขึ้นเป็นไปเนื่องโดยปัจจัยนะด้วยคาถาเป็นปุฆราทิฐานบอกว่าโลกหนึ่งคือสัตว์ทั้งปวงดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารท่านานนั้นสังขารโลกทั้งปวงนี้มีจึงมีหนึ่งเพราะไม่มีประการอย่างอื่นโลกสองก็มีน้มบรรลุปเป็นต้นนามในที่เนี้ยนามในที่นี้ท่านไม่ได้ถือเอานิพพานด้วยนะ เพราะนิพพาน์มิใช่เป็นสภาวะของโลกถามว่ามีความดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารเนี่ยเป็นโลกก็ต้องได้แก่มรรคธรรมและผละธรรมเนะเาะพมีความเป็นไปเนื่องด้วยปัจจัยไม่ใช่หรือบอกไม่ต้องเพราะอะไรธรรมคือทุกขัตสจร์ที่พึงกำหนดรู้ที่ท่านเอาในที่นี้ใช่ไหมพอมรรคกับผลเนี่ยเป็นทุกขศาสตร์หรือเปล่าไม่เป็นทุกขศสตร์เป็นทุกขธรรม แต่ไม่ใช่เป็นทุกข์สัตว์ท่านประสงค์เอาว่าโลกในที่นี้ก็คือเอารูปนามขันห้าที่เป็นไปด้วยการถือเอาการทําใดที่บุคคลถือเอาว่าไม่ย่อยยับไม่ทําลายแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเชื่อว่าโลกเพราะแต่ว่าโลกในที่นี้ท่านถือเอาว่าการย่อยยับนั่นเองใช่ไหมฉะนั้นโล ก, กุตตระธรรมเนี่ยเว้นจากการยึดถือจึงไม่เป็นโลกโลกท่าบอกว่าโล ก, กุตละธ ร, รรมแท้จริงเป็นจิตเนี่ยใช่ไหม เกิดร่วมเจสิงที่เกิดร่ว ม, มกันจิตในโลกุตละธรรมเก้านี้เนะี่ยเอาแค่มรสีพ้นสี่ก่อนอนิพพานนั้นพ้นแน่นอนแต่แม้แต่โลกุตละท่านเขาเรียกว่าธรรมที่เก้าขึ้นหรือเก้าข้ามโลกเพราะพ้นจากการยึดถือของอุปาทานใช่ไหมตรงนี้เราจะมองเห็นอ๋อโลกในที่นี้ท่านเอาโลกียะเอาโลกียะ เ, เ, เอารูปนามจริงแต่เอารูปน้ำที่เป็นโลกียะ ทีนี้เวทนามีสามสุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็เบียดขาเวทนาในเวทนาสามน่ะ น, นะอาหารสี่ก็ได้แก่กาวะลิงกราหารภาสาหารมโนสัจเจตนาหารวิญญาณอาหารได้พูดไปแล้วน้อที่เชียงใหม่เอามาทบทวนตรงนี้ก็คือว่ากาวะลิงกราาหารชื่อว่าอาหารพราะ น, นํามาซึ่งอะไรโอชัต t h โอชาถักะหรือว่ารูปที่มีโอชาเป็นที่แปดใช่ไหมก็คือดินน้ําไฟลมสีกิรสโอชานั่นคืรูปที่มีโอชาเป็นที่แปดปป 8. ฉะนั้นตัวกาวลิงกรหาหันก็คือตัววิตามินทั้งหลายที่เราผ่านการเคี้ยวเข้าไปแต่ละคําแต่ละคำเนี่เนื้อย้ยำเข้าไปแต่ละคำํำผ่านชิวหาประสาทเข้าไปให้โอชาให้ทีละแปดลูกแปดรูปนเนี่ยเข้าสู่สรีระขัน ล, ลังรูปประคำ นั่นแหละคือโอชาเป็นวิตามินทั้งหลายที่เข้าสู่ร่างกายนั่นเองนะในโอชาฉะนั้นกวริงกะลาหารนําอะไรมาให้สัตว์โลกนําอะไรมาให้รูปประธรรมนําโอชานํารูปแปดรูปมีโอชาเป็นที่แปดนั่นแหละเข้าสู่กระแสขันรูปประขันของสัตว์โลกเนะี่ยไอตัวนี้เป็นปัจจัยไหมล่ะเป็นปัจจัยการตั้งอยู่ดํารงดําเนินไปได้ของรูปธรรมของสัตว์ทั้งหลายอ๋อสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารเนาะ อยู่ได้จริงๆนะเอาสินี่คือรูปธรรมทั้งหลายเนาะเป็นอสัญญาอาสัญญาพวกรูปธรรมไม่ได้อยู่ได้กาบริงกณาหานเขาอยู่ได้ด้วยถ้ากลุ่มนามธรรมก็ผัสสะหารใช่ไหมถ้ากลุ่มของรูปพธรรมอสัญญาสัตวภูมิก็อยู่ได้ด้วยอะไรมโนสัญเจตน า, าหารเอาสิตัวกรรมอะ่างเนี้ยโอ้ลึกซึ้งเนาะประธานพระเจ้าเนี่ยทีนี้ผัสสะชื่อว่าหารว่านําเวทนาสามมาให้ อภิษานี่นำอะไรนำสุขเวทนามาให้ทุกเวทนามาให้แล้วก็กทุกคมสุขเวทนามาให้เวทนาใช่ไหมภาษานำเวทนามาให้ขอบคุณเขาไหมน่าขอบคุณไหมภาษาอันเป็นที่ตั้งของทุกเขานำทุกเวทนามาให้อทรม น, นัสเวทนาใครนำให้ภาษานี่แหละขอบคุณเนาะที่ทําให้เราทุกใจใเราเครียดเพราะดันั้นเราจะไปโกรธ ต้องกดภาษาใช่ไหมพอถ้าไปกดภาษาภาษาเขาก็จะบอกเราอีกบอกเขาก็เกิดจากปัจจัยถามใครที่ทําให้คุณเกิดขึ้นมาทําทําให้เราถึงได้ทุกเวรนาเนี่ยอาอายตนะแล้วก็จะไปกรธอายตนะอีกเนาะเขาบอกอายตนะเขาจะบอกว่าผมเองผมก็เกิดจากปัจจัยเอาใครละ่ะฮะนามรูป อ, อ word, ๋จะโกรธน้ารูปน้ํารูปเขบอกเขาก็เ hmm. กิดจากปัจจินปัจจัยแล้วอะไรวิญญาณเอาไปโกรธวิญญาณบอกเขาก็เกิดจากปัจจัยคือสังขารเอาไปโกรธสังขารบอกเขาก็เกิดจปัจจัยคืออวิชชาเอาไปโกรธอวิชชาบอกเขาก็เกิดจากปัจจัยคือาสวะเสร็จเลยทีนี้ใช่ไหมสรุปแล้วก็คือว่าสภาวธรรมทั้งหลายมันเป็นแบบนี้เราจะโกรธใครจะไปโกรธทําไมใช่ไหมมันเกิดจากเหตุปัจจัย แล้วเหตุป so yeah, so, so so so, so ัจจ so, ัยก like like like so, ็ไม่เที่ยงใช่ไหมไอ้ตัวที่มันเกิดจากปัจจัยจะเที่ยงแต่ที่ไหนนั่นปัจจัยมันเป็นทุกข์ไอ้ตัวที่เกิดจากปัจจัยมันจะเป็นสุขได้อย่างไรตัวปัจจัยมันเป็นอนัตตาแล้วตัวที่เกิดปัจจัยจะเป็นอัตตาได้อย่างไรเอาแล้วทำไมไปโกรธตรัยรักแล้วใช่ไหมไอ้ตัวโกรธก็เป็นตรัยรักไอ้ตัวถูกโกรธก็เป็นตรัยรักทำไมทํากิจอะไรกันอยู่เนี่ยทําไมทําสังสารวัฏมันหมุนกันอยู่อย่างเนี้ยนะอย่างนี้มันจะออกจากสังสารวัฏยังไงคะคิดออกไม่ได้แล้วใช่ไหม มองเห็นไหมเนี่ยแค่วิธีคิดก็ออกไม่ได้แล้วมันผิดตั้งแต่คิดแล้วนี่เองมิจฉาปฏิปทาเป็นอย่างนี้เองมันไม่ใช่ทางดําเนินเหตงการดับสังสารวัตมันเป็นทางดําเนินเหตุาการพอกพูนสังสารวัตรให้ยาวยิ่งขึ้นอันนี้มันตัวต่อสังสารวัตเนี่ยมันตัวเชื่อมสังสารวัตเนี่ยไม่ใช่ตัวตัดสังสารวัตรเนี่ยนะก็เข้าใจมากขึ้นเลย ฉะนั้นมนโนไอภาษาาหารภาษาเนี่ยชื่อว่าอาหารเพราะนํานนเวทนาสามมาให้ก็ไปดูเนี่ยนี่ไปวิจัยก็โอ้โหเห็นทุกเยอะแล้วจะเห็นโทษเยอะของสังสารวัฏเยอะมนโนสัญเจตนาอาหารชื่อว่าอาหารพ่อ น, นาปฏิสนธิวิญญาณในการมาพบรูปประพบและรูปประพบได้เอาสิในพบสามเลยนําทั้งปฏิสนธินามและนําทั้งปฏิสนันธิรูปมาให้ฉะนั้น ถ้าในปัญจวัลกัลภูมินมีทั้งน้ำและรูปปฏิสนธิที่อุปาทัศนาของปฏิสนธิเป็นสัตว์ที่มีขันห้านั่นแหละตัวมโนโสัญเจตนาตัวกรรมนั่นแหละตัวสังขาร น, นั่นแหละเป็นผู้มอบให้เขาเกิดร่วมกับตันหาเขาเกิดร่วมกับอวิชาตัวตันหาเป็นตัวเชื่อมตันหาเป็นสมุทัยอวิชาเป็นทุกขศาสั์เจตนากรรมเป็นทุกขริย์แต่ตันหามันใช้เจตนากรรมให้ทํากรรม ไอ้กรรมก็เป็นทำพอกรรมทำแล้วโมหะก็ปิดทาให้หลงตัวตัณหาก็เชื่อมให้เป็นโรงงานใหญ่ผลิตสินส่วนให้ผลิตวิบากให้อีกเยอะจะเอาแบบประเภทมีเขาก็ได้ประเภทที่มีงวงก็ได้มีงาสวยสวยก็ได้ใช่ไหมประเภทไม่ต้องมีขาลืดปพุดเลยก็ไดนะ้ประเภทวิ่งพวดเลยได้เลยนะเนาประหลาดยังไงก็ได้แล้วทาให้หมดเสร็จ สนใจว่าอะไรยังเหลือเยอะอสนใจได้ใช่ไหมโทรเรียกหายังได้เลยตัวผลิตเลยตัวผลิตในตัวโรงงานเนี่ยหืมตัวลงเป็นเป็นตัวโรงงานผลิตทุกเนาะตัวตันหาเนี่เนี่ยทีบวกกับมโนสัญเจตนาเนี่ยเป็นตัวโรงงานมือมาถ้านนึกว่าเป็นเจ้ากรมเลย เป็นเจ้ากลมเลยเป็นเจ้ากลมใหญ่เลยมอบให้โหมอบให้แต่ละสิ่งมาดูที่เนี้ยเราต้องมาตกระกับลำบากมาก็ถูกมอบให้ยี้เนี้ยเนี่ยใช่ไหมหมอบมาให้แล้วยังมีการกล่อมด้วยให้ยินดีให้เพลิดเพลินเนี่ยใช่ไหมโห่กล่อมให้เพลิดเพลินกันอยู่เนี้ยดูเหมือนจะเห็นทุก่นแม้กระทั่งในห้องเรียนอนภะิธรรม กไปเรียนกันหน้าตายิ้มแย้มย่้มใส่เออจะชื่นชมทุกศาสตร์กันอยู่นั่นแหละกระทั่งที่ปทิทองเนี่ยสองพนัาสาสาขะาตาังทิติขตตาสมยิ้ตังไปนั่งเถียงกันโกรธกันอีกในห้องนี้ไปดำอสุ ร, รกรรมเ น, นี้ยอีกเข้าใจหมโอเถียงกันหน้าดำตาแดงเลยอ่ะอ๊ะ ท, ทำไมไม่แปลกยิงนะ ไปเรียนวิธีทำของพระพุทธเจ้าแทนที่จะได้แนวท้าออกมาแล้วชื่นออกชื่นใจใอยไปบางคนเครียดมุ่นไปโกรธกันผมไม่รอเรียนอีกแล้วกะก็เห็นไปแล้ว <S <S เออพลาดแท้มันเป็นที่ดูบุญดูบาปจริงนะใช่ไหมเออเป็นที่ดูบุญดูบาปจริงเป็นมันเป็นตัวบุญตัวบาบจริงใช่ไหมแล้วก็เป็นที่ดูบุญดูบาบจริงนี่สัตว์โลกเนะี่ยคำว่าโลกเนี่ยนะเป็นอย่างนี้จริงๆริอ๋อเป็นอย่างนี้เอรอ ถ้าไม่เราเห็นไปที่ไหนเห็นหมดเลยเนี่ยแล้วก็เห็นตัวเดงนี่ถึงที่โอ้โหหน้าเนี่ยขนาดแท้ใช่ไหมบางทีไม่ได้บุญเนี่ยบางทีมันมันเดินเดินบุญไม่ออกอะ่ะติดขัดบุญไม่เดินตอนนี้รู้เนี่ยแต่ความรู้มันเดี๋ยวมันหายเออมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันหายมันไม่ต่อเนื่องทําไงให้มันต่อเนื่องได้ถ้าสามารถทําให้ต่อเนื่องได้โอ้โหไม่ทำมาได้เลยนี่เป็นอย่างนี้ในช่วงนี้เบรกกันก่อนดีมั้ย